ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชนาลังการะดีกาแปลพระพุทธรคิตตาจารย์ชาวศรีลังการันาต่อไปก็จะเป็นการพนันนาเรื่องของการตัดความรักภายในของพระบริสัท์ซึ่งตอนนี้ก็ถึงที่ตอนที่พระบริสัท์เสด็จออกมหาพิเนสกรม ม้ากันตกะเมื่อฟังพระดํารัสของพระโพธิสัตว์ที่ทรงสนทนากับอมตะชนะคิดว่าบัดนี้เราจะไม่ได้เห็นเจ้านายของเราอีกแล้วเมื่อพ้นสายตาของพระโพธิสัตว์ก็ไม่สามารถอดกลั้นความทุกข์เพราะความพัดพราดได้ถึงกับหัวใจแตกตายแล้วไปบังเกิดเป็นเทพบุตรนามว่ากันตกะในภพดาวดึงอันเป็นเทพบุรีที่ข้าศึกของเทวดา จะมาครอบงมได้ยากนะักแต่แรกอมาตช น, นะก็มีความโศกทับถมอยู่แล้วเมื่อม้ากันธากะตายไปอมาตชันนนั้นถูกความโศกคราวที่สองบีบคันถึงกับเดินร้องไห้คร่ำครวญไปด้วยความทุกข์ฝ่ายพระพพธิศัทว์เมื่อสว่างแล้วทรงผนวดแล้วปล่อยเวลาให้ร่วงเลยไปเจ็ดวันด้วยความสุขอันเกิดแต่การบรรบชา โดยเว้นการเสวยอาหารในป่ามะม่วงชื่ออนุปิยะในประเทศนั้นต่อแต่นั้นทรงห่อหุ้มด้วยผ้ากาสาวะอันประเสริฐดุจ ด, ดวงรัชนิกรเต็มดวงในฤดูสารทะซึ่งอยู่ในม่านเมฆอาบแสงสนธยาถึงอยู่พระองค์เดียวก็ทรงรุ่งโรจน์ดุจแวดล้อมด้วยประชาชนจำนวนมากทรงกระทำการบรระชานั้นเป็นดุจน้ำอมฤต ต้องในตา a ระโทัต้องในตาของมรึกและฝูงปักสีที่อาศัยอยู่ในปา่าทรงเป็นนรชนผู้ประเสริฐ ด, ดุจสีหะที่เที่ยวไปตัวเดียวสเสด็จดำเนินงดงามดังช้างมาตังคะตัวรับมันดุจทำแผ่นดินให้ปลอดโปร่งด้วยพื้นพระยุคลบาทเสด็จดำเนินไปสิ้นระยะหนทางสามสิบโยโดยวันเดียว ก็ประมาณ480กิโลเมตรนะเสด็จข้าแม่น้ำคงคาซึ่งขาดและลอกคลื่นไม่กระเซ็นเสด็จเข้าสู่กรุงราชเลึที่งดงามแพลวพราวด้วยแสงรัตนะเสด็จเที่ยวบินทบาท ต, ตามลำดับตรอบก็เพราะเห็นพระรูปของพระพริษัท์พระนครทั้งสิน้นนั้นพากันตื่นเต้นดุจนครที่ชาตนบาลเข้าไป และดูดเทวนครที่ อ, ส, อสุรินทราหูเข้าไปเมื่อพระมหาบุรุษเสด็จเที่ยวบินทบาตประชาชนประชาชนชาวเมืองประชาชนชาวเมืองก็เกิดปีติโสมนัสเพราะเห็นพระรูปของพระมหาสัตว์รู้สึกประหลาดใจจิตใจถูกดึงดูดให้มองพระรูปของพระโพธิสัตว์รู้สึกจิตใจเยือกเย็นบรรดาประชาชนเหล่านั้น คนหนึ่งกล่าวกับอีกคนหนึ่งว่าผู้เจริญดวงจันเพนถูกไพคือราหูบดบังแสงรัศมีมาสู่โลกมนุษย์ได้อย่างไรอีกคนหนึ่งยิ้มแล้วก็กล่าวกับเขาว่าสหายท่านพูดอะไรท่านเคยเห็นดวงจันเพนมามนุษยยโลกเมื่อไรนั่นเป็นพระกามประเทศผู้มีธงดอกไม้แปลงเพศมาทรงเห็นความสง่างามอย่างยิ่งของมหาราชและชาวพระนครของพวกเรา พระสงจะเล่นจึงเสร็จมาตังหากอีกคนหนึ่งหัวเราะแล้วก็กล่าวกับเขาว่าผู้เจริญท่านเป็นบ้าแล้วหรือพระกรรมเทพนั่นถูกไฟโทรสระของพระอิสวนแผดเผาสรีระแล้วท่านที่มีรูปอย่างนี้นั่นเป็นเท้าสหัสเนตจอมเทพเสด็จมาด้วยทรงเข้าพระทัยว่าเป็นอมรบุรีอีกคนหนึ่งหัวเราะนิดหน่อยแล้วก็กลับกล่าวกับเขาอีกว่าผู้เจริญท่านพูดอะไร คำพูดตอนต้นกับตอนท้ายของท่านขัดกันท่านผู้นั้นมีในตาหนึ่งพันดวงที่ไหนมีวชิระที่ไหนมีช้างเอราวัณที่ไหนท่านนั้นเป็นพรมแน่ท่านรู้ว่าพรามประมาทแล้วจึงมาเพื่อทรงชักชวนในเวศเวทางศาสตร์เป็นต้นอีกคนหนึ่งเป็นคนฉลาดกล่าวติเตียนพวกนั้นทั้งหมดว่านี่ไม่ใช่ดวงจันเพนไม่ใช่การมาเทพไม่ใช่เท้าศาสนา ไม่ใช่พรหมท่านผู้นี้เป็นศาสดาผู้นำสัตว์โลกทั้งปวงท่านผู้นี้เป็นมนุษย์อัศจรรย์แน่นอนเมื่อชาวเมืองสนทนากันอยู่อย่างนี้นั่นแหลพวกราชบริษได้ไปได้พากันไปกราบทูลเรื่องราวนั้นแด่พระราชาพิมพิสารว่าส ม, มุติเทพเทวดาหรือคนทันนาขราชหรือยักษ์หรือใครกันหนอเที่ยวบินธบาศอยู่ในพระนครของพวกเรา พระเจ้าพิมพิสารทรงสดับเรื่องนั้นแล้วประทับยืนบนพื้นปราสาททอดพระเนตรเห็นพระมหาบุรุษแล้วทรงแปลกพระไทยรับสั่งพวกมหารับสั่งพวกราชบุรุษว่าพนายพวกท่านจงไปสอบสวนถ้าเป็นอมนุษย์พอออกจากเมืองก็จะอันตรธานไปถ้าเป็นเทวดาก็จะไปทางอากาศถ้าเป็นนากราชก็จะดำดินไปถ้าเป็นมนุษย์ก็จะบริโภคภิกษาตามที่ได้ พระมหาบุรุษทรงมีอินทรีย์สงบมีพระไทยสงบประดุจจะใช้ความงามแห่งพระรูปดึงดูดในตาของประชาชนทรงมองดูประมาณชั่วแอบทรงนำพัดที่เจือปนกันพอประทังอัตภาพเสด็จออกจากพระนครทางประตูที่เสด็จเข้าประทับนั่งหันพระพักไปทางทิศตะวันออกที่ร่มเงาภูเขาปันดาวทอพระเนตรดูอาหารในบาศ แต่ก่อนพระองค์ทรงสวยพระกรยอาหารเช่นกับสุทธาโพธก็คืออาหารทิพย์ที่เป็นของบริสุทธิ์ของพวกเทวดาพอทรงเห็นอาหารที่เจือปนกันนั้นก็ทรงมีความรังเกียจอย่างมากพระอันตะคือไส้ใหญ่มีอาการดุดดังจะออกมาภายนอกแต่พระองค์ทรงมนัสิกานปฏิกูลสัญญาเก้าอย่างทรงพิจารณาไม่ทรงแสดงอาการผิดปกติ แล้วก็เสวยพระตายาหารนั้นทึงทราบว่าก็การสวยอาหารนี้มีในวันที่แปดนับแต่ทรงพนวดก็ออาหารถึงเจ็ดวันนะด้วยความสุขในบรรชาในขณะนั้นพวกราชบรุษได้ไปกราบทูลเรื่องราวให้พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นเจ้าแห่งชาวมคตทรงทราบ พ, พระองค์ทรงสดับคุณของพระโพธิสัตว์แล้วก็ทรงเกิดพระภัยตื่นเต้นประสงค์จะเห็น จึงรีบเสด็จออกจากเมืองมุ่งพระพักไปยังภูเขาปันฑวะเสด็จลงจากยานไปใกล้พระโพธิสัตว์ทรงได้รับความพอพระทัยจากพระโพธิสัตว์ประทับนั่งเลื่อมใสในอริยบทของพระโพธิสัตว์กระถามถึงนามและโคดทรงมอบความเป็นใหญ่ทั้งปวงให้แด่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทูลว่ามหาปิฏอัตมาภาพไม่ต้องการวัตถุกรรมหรือกิเลสกรรม แต่อัตมาผ้าปรารถนาปรมาภิสัมโพธิยานจึงออกบวชแม้พระเจ้าพิมพิสารจะทรงอ้อนวอนโดยประการต่างๆก็ไม่ได้ทําให้พระโพธิสัตว์ทรงยินยอมจึงตรัสว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนก็พอพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพึงมาสู่เว่นแคว้นของข้าพระองค์ก่อนแล้วเสด็จเข้าไปสู่พระนครครั้นพระนรคราชผู้ประเสริฐ เสด็จเข้านครราชคฤห์พระราชสถานอันประเสริฐแล้วพระจอมมุนีผู้ประเสริฐเจ้าแห่งขุนเขาก็เสด็จไปดุดดังมฤกราชเสร็จไปเป็นพระทุคตแล้วพระบริสัตเสด็จจาริกไปโดยลําดับได้เสด็จเข้าไปปฏิบัติกับอาราราดาบดารามาโขดกับอุทกดาบดรามบุตรปฏิบัติจนสําเร็จสมาบัตแปดแล้วทรงดําริว่า นี้ไม่ใช่หนทางที่จะตัดสูุยังไม่ทรงพอพระทัยการเจริญสมบัตินั้นทรงประสงค์จะบำเพ็ญเพียรจึงเสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาแล้วทรงดริว่าภูมิภาคนี้น่ารื่นรมห์นอจึงทรงพักอาศัยในที่นั้นแล้วเริ่มบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งใหญ่ก็คือทรงทำบำเพ็ญทุกรกรริยาเรื่อมหน้าแห่งกรรมในอดีตที่เคยว่าร้ายระ กัสปะสัมมาสมพุทเจ้ามาตักเตือนนะก็เลยทำให้ต้องปฏิบัติธรรมบาบุตรของพราหมณ์พูดทำนายลักษณะสี่คนและโกนธัญญพราหมณ์รวมเป็นห้าคนได้บวชแล้วก็ได้เที่ยวพิษขาจารย์ไปในบ้านและนิคมจนไปถึงพระโพธิสัตว์นั้นณสถานที่นั้นในครั้งนั้นบรรพชิตทั้งห้าช่วยกันปรนิบัติพระโพธิสัตว์ผู้บาเพ็ญความเพียรอย่างยิ่งใหญ่ตลอดหกปีด้วยวัดปฏิบัติ มีการกวาดบริเวณเป็นต้นอย่างใกล้ชิดด้วยหวังว่าพระมหาบุรุษจักตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในบัดนี้พระมหาบุรุษจักตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในบัดนี้ฝ่ายพระโรธิสัททรงเดบุตรว่าเราจักกระทากิจที่ทำได้ยากให้ถึงที่สุดทรงให้การเวลาผ่านไปด้วยงานและข้าวสารมเมล็ดเดียวเป็นต้นบัณฑิตพึงทราบเรื่องนั้นอย่างนี้ว่า ครั้งแรกพระมหาบุุษเสร็จเข้าไปยังเสนานิคมเที่ยวบินธบาทเจริญเมตตาให้เวลาผ่านไปแล้วทรงดาริว่าเราจะฉันอาหารยากจะได้ประโยชน์อะไรจึงทรงละอาหารนั้นบำรุงอัตภาพให้เป็นไปด้วยการฉันผลไม้ที่เป็นไปคือร่วงโร่นจากต้นจากนั้นเมื่อไม่ได้ตัดสรุทรงดมริว่าแม้สิ่งนี้ก็เป็นของยาและเป็น ปริโพโธดเหมือนกันจึงทรงฉันผลไม้ที่หล่นเองทีแรกก็ฉันผลไม้ที่อยู่บนต้นก่อนแล้วก็ภายหลังก็ฉันผลไม้ที่หล่นเองณต้นไม้ที่พระองค์พักอาศัยถึงขนาดนั้นก็ยังไม่บรรลุพระโพธิญาณครั้งนั้นพระมหาบุรุษทรงดมริว่าเราไปพกอาหารจะได้ประโยชน์อะไรเราจะงดเว้นอาหารโดยประการทั้งปวงแต่นั้นพวกเทวดาก็พากันกล่าวว่า ถ้าพระสิท ธ, ธะไม่สวยอาหารโดยประการทั้งปวงพวกเราจะนำโอชะเข้าไปภายในพระสรีระของพระองค์ทางรูขุมขนในกาลนั้นพระมหาบุรุษทรงดมริว่าถ้าเรางดเว้นอาหารโดยประการทั้งปวงพวกเทวดาก็จะพึงใส่โอชะเข้าทางรูขุมขนของเราข้อนั้นจะพึงทำให้เราเป็นผู้มีมุสาจากนั้นจึงสวยน้ำต้มถั่วภูเพียงฝายมือ และสวยน้ําต้มพุทธาอย่างนั้นเหมือนกันลักษณะมหาปริษลักษณะสามิบสองประการและอนุพยัญชนะแปดสิบในพระวรกายของพระองค์ก็ได้อันตรธานไปพระมังสาและพระโลหิตในพระวรกายทั้งหมดก็สิ้นไปพระอัติพระปิดสรางและพระอัติพระศอหมุนเป็นเปลียวดุดเส้นเถาวัลพระอัติผาสุกทัตคดงอ เป็นเช่นกับไม้กลอนหลังคาพระมังสะพระเสียนก็ติดอยู่ที่พระอธิพระเสียนพระมังสะพระโสพีพระโสณีก็ได้หดแล้วพระมังสะพระอุทธรก็ติดพระอธิพระปิดสตางคือกระดูกท้องก็ติดกับกระดูกหลังนะเนื้อที่ที่ท้องก็ติดกับกระดูกข้างหลังพระวรกายทั้งสิ้นมีแต่พระโลมา เมื่อพระมหาบุรุษทรงใช้พระหัตถ์ลูปพระเสียรพระเกสาที่พระเสียรก็ติดอยู่ที่พระหัตนั่นเองพระมหาบุรุษนั้นแม้สวยทุกยิ่งใหญ่อย่างนี้ก็มิได้ทรงดำริเลยว่าเราจะทำทุกกระยะกิริยานี้ไปทำไมเรานั้นกระทำทุกกระิกิริยาเรานั้นกระทำทุกกระะกิริยาอย่างนี้เป็นเวลาหกปีก็ยังไม่ได้โพธิญาณ เอาเถิดเราจะไปวังของเราแล้วชมหญิงฟ้อนสี่มือนนางซึ่งมีพระนางยโสธราเทวีเป็นประธานจะเฝ้าพระมารดาและบิดาผู้ยังทรงพระชนอยู่จะเยี่ยมตระกูลพระญาติแ0ด0มืนตระกูลจะบริโภคโภชนะอย่างดีเช่นกับโภชนะทิพย์แล้วนอนบนที่นอนอย่างดีมีได้มีความดำริชั่วขณะหนึ่งไม่ได้มีความคิดอย่างนี้เลยแม้กระทั่งามเพ็ทุกขะริรยา ลำบากถึงหกปีอย่างนั้นถึงขนาดว่าขนที่พระวรกายนี่เน่าเลยนะมีโคนเน่าพอเอามือไปรูปฉะนั้นก็ขนก็ติดออกมารูปที่ผมก็ผมก็ติดออกมาเพราะว่าไม่มีอาหารจะหล่อเลี้ยงวันหนึ่งพระองค์ได้ประทับนั่งเพื่อทำสรีระกิจพระวรกายทั้งสิน้นสูบซีดจนพระอันตะคดงอพระทวารหนักมีเวทนาแรงกล้าพระมหาบุรุษเมื่อไม่สามารถ ถ่ายมณทินออกได้ก็ทรงสลบล้มลงนก็ถึงกับสลบเลยทีเดียวในครั้งนั้นเทวดาตนหนึ่งเข้าใจว่าพระมหาบรุทธสิ้นพระชนแล้วจึงไปสู่สำนักของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชกราบทูนว่าพระโอรสของพระองค์สิ้นพระชนทีนั้นพระเจ้าสุทโธทนะมหาราตรัดถามว่าโอรสของเราตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือจึงสิ้นพระชน เทวดากลาวทูลว่ายังไม่ได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุธโทธนะมหาราตรัตอบว่ารีไปเถิดเทวดาโอรสของเรายังไม่บรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าจะยังไม่สิ้นพระชนะเทวดาก็ได้อันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองแล้วก็อุตซาหวังดีมาบอกนะว่าพระเจ้าสิ้นพระชนแล้วแต่ว่าพระเจ้าจุธโทธนานี้ก็มีอัตฉ ย, ยมีปัญญารู้ความเป็นไปของพระโอรสซึ่ง จะได้ตัดสรู้เป็นผู้บริเจ้าแน่นอนแล้วก็รู้ว่าถ้ายังไม่ตัดสรูน้นี่จะไม่ปรินิพานจะไม่ขิ้นประชนแน่นอนในครั้งนั้นพระมหาสัตว์ดับทรงรู้สึกพระองค์สเสด็จลุกขึ้นดำเนินไปวันรุ่งขึ้นทรงดำริว่าทางที่ดีเราควรเพ่งอารมณ์แบบไม่มีลมปราณครั้นแล้วพระองค์ได้ทรงกลั้นลมอสสาสะและลมปัสสาสะลมออกทางพระนาสิกไม่ได้ จึงออกทางช่องพระกันทั้งสองครั้นแล้วพระมหาบุรุษก็ทรงห้ามลมออกทางช่องพระกันลมจึงพุ่งขึ้นจากที่นั้นไปถึงกระหม่อมพระเสียนพระเสียนเกิดเวทนาแรงแรงกล้าดุดเวลาที่ถูกเจาะด้วยสว่านแต่นั้นเมื่อลมเจาะกระหม่อมพระเสียนออกไปไม่ได้ก็วนกลับไปสู่ลงไปสู่พระอุทธรมีอาการดุดเวลาที่ตัดอวัยวะภายในด้วยมีดหั่นเนื้อ ถ้ามหาบุรุษทรงเพ่งอารมณ์ไม่มีลมปราณเป็นระยะอย่างนี้ทรงได้รับทุกข์อย่างหนักทรงประคองความเพียรอย่างนั้นไม่ท้อถอยพระไทยที่ตั้งมัน่นไม่ฟุง้งซ่านพระสติปรากฏก็ไม่เลอะเลือนพระวรกายไม่กระสับกระส่ายพระไทยตั้งมัน่นพระมหาบุรุษนั้นเสวยทุกข์อย่างหนักอย่าง น, างนี้จึงทรงสู้ผอมพระชวีวันหม่นมอง พวกคนเลี้ยงโคหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์ที่ได้เห็นก็พากันกล่าวว่าท่านผู้เจริญพระสมณะนี้คล้ำไปคนต่อมาก็กล่าวว่าพระสมณะไม่คล้ำหรอกแต่พระสมณะผิวด่างไปเท่านั้นเมื่อเวลาล่วงเลยไปอย่างนี้มารชั่วช้าคิดว่าพระสิท ธ, ธัตกุมารทรงมีความเพียรมากทรงบำเพ็ญทุกกระกิริยาอย่างหนักพระสิท ธ, ธัตกุมาร น, นั้น จะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าเวลาไหนทางที่ดีเราควรเข้าไปแนะนำให้ท่านเลิกการบำเพ็ญทุกะกะริยาเสียจึงเข้าไปแนะนำอย่างที่ตนคิดภายหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงทรงเล่าเรื่องราวนั้นให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังที่พระองค์ตรัสว่าเราตั้งจิตบำเพ็ญเพียรขมักขเม่นเพ่งพินิษ์อยู่เพื่อบรุธรรม อันเป็นแดงกเกษมจากโยคะอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชารานั้นมาได้เข้าไปหาพร้อมกับกลา่าวถ้อยคำแสดงความเอ็นดูว่าท่านมีร่างกายผายผอมมีผิวพรรณซูบซีดใกล้จะตายอยู่แล้วท่านมีโอกาสตายถึงพันส่วนโอกาสรอดชีวิตมีเพียงส่วนเดียวเท่านั้นท่านเอ๋ยการที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นดีแล้วเพราะเมื่อมีชีวิตอยู่ท่านก็จักบาเพ็ญบุญทั้งหลายได้ ท่านประพฤติพรหมจรรย์และบูชาไฟยอยู่ก็ชื่อว่าสั่งสมบุญไว้มากท่านจักบำเพ็ญเพียรไปทําไมทางเพื่อความเพียรดําเนินไปถึงยากทําได้ยากยากยิ่งนักที่จะก่อผลสําเร็จมารได้ยืนกล่าวคาถาเหล่านี้อยู่ใกล้ๆเราผู้จะเป็นพระพุทธะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบมารผู้กล่าวอย่างนั้นว่ามารผู้มีบาป ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของคนประมาทท่านมาที่นี้มีความประสงค์สิ่งใดเราไม่มีความต้องการบุญแม้แต่น้อยความจริงท่านผู้เป็นมารควรไปบอกแก่ผู้ต้องการบุญเพราะเหตุไรท่านจึงเฝ้าเพียรถามเราผู้มีทั้งศรัทธาตะบะวิริยะและปัญญาผู้มีจิตมุ่งมั่นมีความเป็นอยู่อย่างนี้กระแสน้านทุกสายลมนี้สามารถพัดให้เหือดแห้งได้ แต่ว่าเลือดของเราผู้มีจิตมุ่งมั่นไม่เหือดแห้งไปแม้สักหยดเลยเมื่อเลือดกำลังเหือดแห้งไปดีสเลดก็กำลังเหือดแห้งไปด้วยและเมื่อเนื้อกำลังจะหมดสิ้นไปแต่จิตของเราก็ยิ่งผ่องใสสติและปัญญาก็ผ่องใสสมาธิของเราก็ยิ่งตั้งมั่นขึ้นไปอีกเรานั้นถึงจะได้รับทุกขเวทนาอันแรงกล้าอยู่อย่างนี้ จิตก็หาได้หวนนึงถึงการทั้งหลายไม่ท่านจงดูท่านจงคอยดูภาวะที่เราเป็นสัตว์บริสุทธิ์กิเลสการมทั้งหลายเราเรียกว่าเสนากองที่หนึ่งของท่านความไม่ยินดีเราเรียกว่าเสนาที่สองกองที่สองของท่านความหิวกระหายเราเรียกว่าเสนากองที่สามของท่านตัณหาคือความทยานอยากเราเรียกว่าเสนากองที่สี่ของท่าน ทีนามิตะความหดหู่และความเชื่องซึมเราเรียกว่าเสนากรมที่ห้าของท่านความกลัวเราเรียกว่าเสนากรงที่หกของท่านวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยเราเรียกว่าเสนากรงที่เจ็ดของท่านมัคขะความรับลู้คุณท่านและธรรมพะความหัวดือ้อเราเรียกว่าเสนากรงที่แปดของท่านลาบความสรรเสริญสการะและยศที่ได้มาผิด เราเรียกว่าเสนากองที่เก้าของท่านก า, การยกตนและข่มผู้อื่นเราเรียกว่าเสนากองที่สิบของท่านมารเอยเ๋ยเสนาของท่านผู้มีธรรมดานี้มีปกติประหารสมณพราหมณ์คนขาดเอาชนะเสนานั้นไม่ได้แต่คนกล้าเอาชนะเสนามารได้แล้วย่อมได้รับความสุขแม้เหล่านี้ก็จะรักษาหญ้ามุงกระต่ายไว้ น่าติเตียนถ้าชีวิตของเราจะพ่ายแพ้เราตายเสียในสงครามประเสริฐกว่าแพ้แล้วเป็นอยู่จะกระเสริฐอะไรพระมหาบรุษครั้นคุกขามไล่ามารให้หนีไปแล้วอย่างนี้จึงทรงดำริว่าเราชนผู้บำเพ็ญทุกขกรกริยในโลกนี้เสมอกับเราก็มีตนกว่าเราก็มีบุคคลที่จะสามารถบำเพ็ญทุ ก, กรกิรยิยยิ่งกว่านี้ย่อมไม่มี นี้มิใช่หนทางแห่งการตัดสรู้การที่เรานั่งบําเพ็ญที่เงาต้นว่าหนูนเป็นหนทางแห่งการตัดสรุปหรือไม่หนอเรางดเว้นจากการทั้งหลายจากอากุศลธรรมทั้งหลายจะกลัวความสุขนั้นไปทําไมทรงดําริต่อว่าก็เรามีร่างกายอ่อนกําลังอย่างนี้ไม่สามารถเจริญสมาธินั้นได้เอาละเราจะบํารุงร่างกายด้วยการบริโภคอาหารแล้วเจริญสมาธินั้น ต้งหยิบบาตรจากสถานที่วางไว้เสด็จเที่ยวบินบาตในเสนานิคมได้มาแล้วทรงสวยพระกยาหารนั้นพอได้สองสามวันพระวรกายก็มีกําลังลักษณะแห่งมหาบุรุษสามสองประการก็กลับเป็นปกติพระวรกายได้มีวันณะดุจทองครั้งนั้นพวกปิสุปัญจวักขีพากันคิดว่าพระมหาบุรุษนี้บําเพ็ญทุกขกิริยาถึงหกปี ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้แจ้งพระสัพพายุตยานบัตรนี้เที่ยวบินธบาตไปในบ้านและนิคมเป็นต้นเศยยอาหารที่อยากจะสามารถรู้แจ้งได้อย่างไรพระมหาบุรุษนี้เป็นผู้มกักมากทรงคลายความเพียรพวกเราจะได้ประโยชน์อะไรจากพระมหาบุรุษดังนี้แล้วจึงทอดทิ้งพระมหาบุรุษพากันไปป่าอิสิปัตนะเขตกรุงพารณาณสี การบำเพ็ญทุกกรกิริยาก็ได้ถึงความสุดยอดด้วยกิจประมาณเท่านี้นะก็เป็นวาระที่พระโพธิสัติ์จะได้กายวิเวกนะเพราะว่าใกล้จะตัดรู้แล้วก็ เ, เป็นเหตุที่โดนใจทําให้พวกพระปัญจวคีเหล่านั้นหลีกไปบุคคลที่มีความสำนึกใคร่เล่าจะไม่พึงบูชาพระมหาบรุษผู้ทรงละพระนายโสธราผู้มีฐานเต่งตึงและริมพระโออิม ทงมีพระวรกายดุจธงที่ลานเต้นราของกามเทพพูดถึงความเป็นผู้ประเสริฐนั้นพรรณนาความเพียรอันยิ่งใหญ่ในคำพีชินาลังการะที่ให้ความเพลดิดเพลินแก่สาธุชนจบแล้วด้วยประกาศฉนิก็ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชนได้ดำรงมั่นอยู่ในศรัทธาอันเป็นปัจจัยที่ทให้ถึงพร้อมการวิมุต นะเพราะว่าบุคคลข้ามโอคาได้ด้วยศรัทธานั้นก็เริ่มต้นจากการที่มีศรัทธาแล้วก็บำเพ็ญวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะว่าข้ามอนบได้ด้วยได้ด้วยสติรนะ่วงทุกได้ด้วยความเพียรแล้วก็บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาก็ขอให้อินทรี่ห้าของท่านได้บริบูรณ์จากการเริ่มต้นอเนะจริญพระพุทธคุณฟังพระพุทธคุณน้อมนํามาใส่ใจให้เกิดศรัทธาปิติประโมทแล้วก็อบรมอินทรียห้า พระห้าพ่อจงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดให้บริบูรณ์ให้ท่านได้อบรมไตรสิบถาแล้วก็บรรุอริยมรรคบรรุเป็นพระอริยบุคคลโดยการอันไม่เนิ่นช้านี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ